ขอตักโรคภัยไข้เจ็บใส่บาทหลวงพ่อไป <c oughs> อีกวันหนึ่งเราไม่สบายไป <c oughs> ตอนนั้นครูบาอายังไม่บวชบาอาไปบอกชาวบ้านน้อยวันนี้ไปไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไปบอกผู้หญิงคนนี้นะแกอุทานด้วยความตกใจเอ๊ะพระก็ป่วยได้เหรอะ <c oughs> จะเห็นพระเป็นมนุษย์ประหลาดไปแล้วนะ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 อยากเป็นในพลที่ไปขอนายสิมาขอพระทําไมต้องสมเหตุสมผลนะพ่งนี้ท่านสมเหตุสมผลจริงๆถ้าเป็นในผลตอนนั้นตอนนี้ก็กเกษียณแล้วก็ไม่ได้เป็นแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราเนี่ยนะมันเป็นของที่มีอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานี่มันแค่ของชั่วคราวถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้เราจะไม่ทุกข์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 ถ้าเห็นอย่างนี้ได้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกไปวันหนึ่งจิตก็ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างนะกระทั่งสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในกายในใจนี้ยังชั่วคราวเลยนะพอมันไม่ไม่ค่อยยึดถือกายยึดถือใจแนละ้วของอื่นๆภายนอกก็เรื่องเล็กไปด้วยนะกระทั่งกายยังไม่ยึดถืออเลยไปยึดถือของข้างนอกกายทําไมเห็นไหมกระทั่งจิตใจยังไม่ยึดถือไปยึดถือของนอกจากจิตใจทําไมก็ไม่ยึดถือนะอะไรความทุกข์ก็ไม่มีหรอกความทุกข์ก็ลดลงลดลงนะ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 ให้ความรู้เขาให้วิชาการเค้าอะไรอย่างเนี้อันนี้เรียกว่าธรรมทานนะอย่างเขาไม่มีธรรมะเราให้ธรรมะเขาทํามาหากินไม่เป็นเราก็สอนวิธีทำมาหากินให้อะไรอย่างเนี้อันนี้เป็นการให้ความรู้นะเมื่อก่อนมีคนหนึ่งนะชื่ออะไรลุงเผาขายอาชีพอะไย่างนี้เขาก็ทําประโยชน์นะนะเขาก็ไปหาวิชาความรู้มามาสอนคนอื่นอะไรอย่างนี้ย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 ดังนเนี่ยเรื่องทำทานนะทำได้หลายแบบไม่ใช่ต้องเสียเงินอย่างเดียวหรอกไม่มีตังเลยก็ยังทำได้เขามีกิจการอะไรลำบากนะกิจการสาธารณะทั้งหลายไม่มีเงินนะไปออกแรงช่วยเขาก็ยังได้นี่ก็ทำทานเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นทำสิ่งเหล่านี้แล้วเราได้อะไรเราได้ความสุขได้ความสงบใจได้เพื่อนนะได้ลดละความเห็นแก่ตัวลงเป็นการขัดเกลาจิเลสดหยาบหยาเพราะคนเราเห็นแก่ตัวอย่างร้ายแรงเสมอแหลนะ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 เราก็มาดูหาวิหารธรรมอย่างหนึ่งของจิต mm hmm. เช่นจะอยู่กับพุโทโธก็ได้คนไหนเคยฝึกพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธคนไหนเคยฝึกรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปนะคนไหนเคยดูท้องผองยุบก็ดูท้องผองยุบนะคนไหนเคยขยับมือแบบสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปนะดูสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆรื่เรียกว่ามีวิหารธรรมแต่ไม่ใช่ไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เหล่านี้วิหารธรรมแปลว่าบ้านวิหารธรรมไม่ได้แปลว่าพุก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 ถ้าไม่มีพุทธโธนะจิตมันก็ร่อนเร่ร่อนเร่ดูยากถ้ามีพุทธโธเป็นที่สังเกตเป็นแลนด์มาร์กไว้นะจิตไปอยู่ที่พุทธโธก็รู้จิตหนีไปอยู่ที่อื่นก็รู้นะรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดจิตขยับนิดเดี๋ยวเราก็มองเห็นละพอจิตขยับตัวเรามองเห็นนะจิตก็จะสงบจิตก็ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมานะหรืออย่างคนรู้ลมหายใจบางคนชอบรู้ลมหายใจหายใจไปนะเอาลมหายใจเป็นวิหารธรรม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 อันนี้เรียกว่ามานะมานะว่ากูเก่งกูเก่งนะเป็นคนละตัวกันนะส่วนอัตตานั้นไม่มีมานะนั้นมีนะมีเหตุก็เกิดขึ้นมาอัตตานั้นไม่มีอยู่เพราะสิ่งทั้งหลายนะั้นนะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีเลยสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับนะร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที opher, ่หายใจเข้าเกิดแล้ว <By> ก็ดับใช่ไหมจิตที่สุขที่ทุกข์จิตที่เฉยๆเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่สุขร่างกายที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภที่โกรธที่หลงเกิดแล้วก็ดับนี่มีแต่เกิดแล้วก็ดับ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 แล้วเราก็ค่อยๆฝึกไปเป็นคารวาสก็มีฐานอยู่ในโลกก็ต้องมีฐานใช่ไหม mm. เดี๋ยวก็ทกะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคน น, น, ค น, นี้รู้จักไหมทะเลาะใครไม่เคยทะเลาะกับคนอื่นมีไหมใครเคยทะเลาะกับคนอื่นมีมไหมจะต้องถามกลับข้างไม่โยกอะ่ะ mm. เวลาเราให้อภัยเนะี่ยเรียกว่าเราทําทานนะคนนี้ไม่รู้ไม่มีความรู้เราก็ให้เขาเนี่ยเราก็ให้วิทยาฐานใช่ไหม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 เอาเท่านี้ก็รักกันธรรมศาสตร์ ท, ท่อาจารย์เจ้าคะอยากจะถามคําถามสองข้อนะเจ้าคะรู้สึกว่าตัวเองหลงตัวเองว่าตัวเองเข้าใจในสภาว่าธรที่เข้ามาในอายะตะนะของเคะมันไม่เที่ยงเกิดเพื่ตั่งอยู่แล้วดับตาอเหมือนหลวงพ่อเทศเมื่อกี้นี้เลยนะคะเรารู้ตัวเองรู้ว่าเราเข้าใจไม่ทราบว่าเราเข้าใจจริงด้วยว่า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 อย่างตอนนี้ไปทางไหนอะไปทางใจใช่ไหมไหลไปทางใจเราก็รู้ว่าไหลไปทางใจแล้วฝึกอย่างนี้รู้ไปได้่ยเลยเราเห็นว่าจิตที่เกิดที่ใจก็ดวงหนึ่งนะจิตที่ไปทางตาก็อีกดวงมันพ ล, ล่นกันฝึกรู้อย่างนี้บ่อยๆแล้วดีแล้วแล้วอีกข้อหนึ่งเจ้าคะจะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิอะค่ะมไม่ทราบว่าทุกวันนี้ฝึกถูกทางไหมจ้ะคะมันเคลิ้มไปนิดนึงนะ พยายามรู้สึกตัวให้เยอะขึ้นนิดห น, นึ่งเนื่อสมาธิมันล้าหน้าไปมันซึมนะพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวเพิ่มสติขึ้นหน่อยนะขอขอบคุณด้วยครับคุณเวลาเราหายใจนะหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่ได้หายใจให้เคลิ้มนะหายใจแล้วก็รู้สึกตัวหายใจแล้วก็รู้สึกตัวใจหนีไปคิดก็รู้กรลาบและมรสการของพ่อค่ะอา้า<อ>ว่าไป ก็ขอให้สุขภาพหลวงพ่อหายไว้นะคะโอ้มันขอไม่ได้ดอกมันเป็นไปตามเหตุนนะอย่างมีเชื้อโรคชนิดนี้เนี่ยมันต้องอยู่กี่วันอะไรเงี้ยนะก็ฟังซีดีอ่านหนังสือของหลวงพ่อมาได้ประมาณสองึสามเดือนนะคะก็เริ่มปฏิบัติเลยค่ะหลวงพอ่อก็มันมีประโยคคะ่ะที่หลวงพ่อพูดในซีดีว่ายากดีมีจนก็เสมอภาคกันน้ป้าไหลเลยค่ะหลวงพอ่อ ก็บางทีฟังแล้วก็ขำขำก็รู้นะคะหลวงพ่อืก็ฝึกฝึกแบบจิตจะรู้ว่าจิตหลงไปแล้วก็รู้นะคะหลวงพอ่อแล้วก็จะรู้สึกกายมากกว่าพับหลวงพอ่อเพราะว่า <c oughs> มันจะรู้ลมหายใจนะคะหลวงพอ่อถ้าเกิดเผลอไปประมาณห้าสิบห้าถึงสิบนาทีก็จะรู้ลมขึ้นมานะค่ะดีสินะเอาลมเป็นฐานเป็นเครื่องอยู่รู้ลมไปแล้วใจหนีไปแล้วรู้ใจหนีไปรู้ฝึกงี้นะ่มีหน่อ<า>ยพ อ, พอ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 สังเกตไหมใจเราฟุ้งซ่านเก่งค่ะแล้วก็ให้รู้ทันเวลาใจฟุ้งซ่านรู้บ่อยๆนะอ่ะต่อไปกลับค่ะกลบเค่ะเมื่อเดิอนนิโชนาหรอว่าว่าเจ็ดหนูไปตั้งมั่นแล้วระหว่งางที่หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยููก็รู้สึกว่าตั้งบัานขึ้นมาบ้างแล้วก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติ แต่พอปฏิบตัติต่อมาอีกก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าความคิดอะไรจะเยอะมากะคะ่ะเวลาคิดไปแล้วเกิดกิเลส ร, รู้ไหมทราบค่ะยัเช่นไหมกิเลสส่วนใหญ่วิ่งหลังตามความคิดม า, าใชนะ่เพราะงั้นพอมันคิดไปแล้วเกิดโลภขึ้มารู้ทันเกิดโกรธขึ้นมารู้ทันฟุ้งซ่านรู้ทันหดหูรู้ทันนะรู้ทันนี้บ่อยๆก็ใช้ได้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 ใจมันไปชอบเพลินในความสุขเราก็รู้ทันว่ามันชอบเพลินในความสุขเนี่ยคอยรู้ทันความไม่ดีของเราเองไว้บ่อยๆนะแล้วก็เราคอยสังเกตไปกุศลอะไรเรายังไม่ค่อยได้ทํานะเช่นเราขี้เกียจภาวนาเนี่ยเราก็พัฒนาขยันภาวนาขึ้นมาสํารวจตัวเองนี่แหละดีที่สุดเลยนะกุศลใดยังไม่ได้ละกุศลใดยังไม่ได้เจริญสังเกตไปแล้วค่อยๆพัฒนานะ ถ้าเดินอย่างนี้เราจะเดินด้วยตัวของเราเองได้นะโอกาสจะมาถามหลวงพ่อมันไม่มากนี่เราเรียนกันเยอะอะพอไหวไหมนะเอาหลักนะจะได้ช่วยตัวเองได้ทุกๆสถานการณ์อย่าตอนเนี้หลงรู้สึกไหมหลงไปคิดนะจิตหลงไปคิดเราก็รู้ทันเอาอะต่อไปค่ปะนักศึกษาหลวงพ่อค่ะ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 หน้านี้โยมเคยปฏิบัติพองอยู่อากาศแล้วก็ปีหนึ่งก็จะทําครั้งหนึงเดือนหนึ่งเลยเต็มๆทำทําที่บ้านนะคะอันนี้บ้านจานของลูกก็มรณะภาพไปนานมากอันนี้ก็นานแต่แล้วก็เอ้ยเราอายุมากแล้วใกล้จะตายแล้วตํว า, า, ารีบทำก็ปฏิบเออพระเนี่ยท่านบวชกันแล้วก็ปฏิบัติ ท, ทําให้สามเดือนนะลูกก็ สามเดือนเนี้จะไม่พูดจะทําจะได้ดีไปเลยนะคะก็ะทำสามเดือนพอเข้าเดือนที่สองแล้วค่ะเข้าเดือนที่สองลูกก็ไม่ทราบก็ถลันถลําเข้าไปดูอะค่ะอาจารย์ถลันเข้าไปดูก็ได้ยินเสียงเขาก็พูดเจ็บนะคะเขาปรุงแต่งลู ก, ล, กลูกมารู้มาได้ฟัง ดีๆขงหลอนี่ยจิตก็ปรุงแต่งพูดอะไรแย่ๆก็เลหลงไปเชื่อเขาค่ะทำตาเขาเหมือนคนบ้าเลยค่ะพ่ออย่าเชื่อนะมาปรุงแต่งก็มีสติอะไะแต่ว่าเฮ้ยทำไมเราก็นึกว่าเนี่อะไรเหรอเราเรารู้แลเหรออะไรแบบนี้แก็มาบอกอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังพ่อมันมีแต่ทุกข์นะคะอาจารย์ทุกข์มากในกายเราก็เต้นในเนื้อเนื้อในกายในกายนะคะอาจารย์มันจะระยิบระยับ เต้นทั้ทั้งทั้งใจถูกแล้วล่ะมันกระแทกแแทกระแทกหัวใจมันก็บีบเองรู้ว่าทรมานมันหนึ่งปีเต็ ม, มเต็มแล้วกลางคืนก็ก็นอนไม่ได้ก็รู้สึกเหมือนกระจิต ก, ก็ตื่นตลอดอย่างนี้นะค่ะแล้วก็พอรู้มาได้ฟังซีดีหลวงพ่อลูกก็ดีขึ้นดีขึ้นแลพยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะ ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นแค่ความสุขความทุกข์ใจเราอยู่ต่างหากนะจิตมันปรุงอะไรขึ้นมาก็แค่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะไม่เชื่อเพาะนะไม่เชื่อจิตมันปรุงเก่งอภิสังขารมานมันทํางานนะจากไปอะเพื่อเพื่อไม่เสียรู้รจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะรค ม, มิหารธรรมมนะิหารธรรมเราเคยดูท้องพองยบเราก็ดูของเราไป<ช>แต่อย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องนะเห็นร่างกายเป็นพองร่างกายยบจิตเป็นคนดู เห็นตัวที่ฟองตัวที่ยุงไม่ใช่เราหรอกนะแล้วจิตมันแอบไปคิดก็รู้ทันนะต่อไปก็จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตไม่ได้เห็นอันเดียวหรอกภาวนาทีอยู่คืนหนึ่งรูปรุปนอนหลับไ ป, ปก็้ตีสามกว่าก็ก็จิตเขาก็จะจะขึ้นมาฝืนละกระแทกหัวใจเรากันแทกเลือเนี่ยนะคะทีอในกายแล้วก็รู้ก็เออแล้ตี้ฝังหลวงพ่อามาพยาย<ม>ามอย่าให้จิตมันนิ่งๆนะพยายามหลุดออกจากความนิ่งๆให้ได้เลยก่อนนิด ไปจัดตรงนี้มันก็ทรมา น, นทีนี้ก็เลยก็กมาดูเห็นเห็ น, เ ห, นเห็นจิตอ่ะเขาก็จะจะจ ะ, จะช่วยช่วยเขาเองอเห็นเ็าสวดมนต์นาจารอาจารย์เห็นเขาสวดมนต์ก็จับไดว่ า, า, เ, เ, าวเอ้ย น, นี่อะไรคาถาอะไรเนี้ยก็นึกนึกใจกันเนี่ยดูไปอย่างนี้ดูไปว่าจิตมันทำงานได้เองอจิตไม่ใช่เรานะ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 พอได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่ากายกับใจัไม่ใช่ของเราเป็นตัวทุกข์เนี่ยอืทีนี้พอฟังแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าความความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมันเป็นยังไงก็เลยลองนั่งดูเขาอะครับก็เห็นความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นเองแล้วเขาค้างก็พักหนึง่งแล้วเขาก็ดับลงไปเองอืพาดูอย่างนี้สักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับ เห็นว่าจิตเนี่ยมันมีการแยกตัวออกมาเออมีความทุกข์กับกับสิ่งที่แย่ออกมามไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอะครับเออนะนั่นแหละดูแบบนี้นั่นแหละแล้วก็เห็นเห็นจิตเอาเห็นความเป็นตัวเราเนี่ยเป็นสภาพวะที่รู้อยู่ต่างหากครับเ อ, อแต่ว่าความทุกข์มันไม่ใช่ของเราแล้วใช่ไหมครับใช่ะนะมันแต่ว่ามันยังไม่ลาเด็ดขาดหรอกต้องดูมากๆนะวันหนึ่งมันจะยังไง ยอมเด็ดขาดลงไปเลยว่าขันมันทุกข์นะไม่ใช่เราทุกข์หรอกตัวเราไม่มีครับแล้วหลังจากนั้นลูกก็เริ่มเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราบ้างเออดีนะเพรานะนั้นสลับกับจิตแยกออกมารู้ได้บ่อยๆนะครับเออแต่อย่า<อ>จงใจแยกนะถ้าเขาแยกเองไม่เป็นไรถ้าเราจงใจแยกใช้ไม่ได้นะคเแล้วหลังจากนั้นมาออสักหนึ่งเดือนพอมันจเจริญขึ้นแล้วมันก็จะเสื่อมลงนะคะออรับใช่เราก็กกทําสม่ําเสมอนะ จเจริญก็ภาวนาไปเสื่อมก็ภาวนาไม่เลิกหรอกแต่เวลาเสื่อมมีเคล็ดลับอย่าอยากให้จเจริญถ้าอยากให้จเจริญจิตยิ่งดิ้นรนจิตยิ่งดิ้นรนยิ่งเสื่อมหนัก<ช>ถ้ า, <ช>ถารู้<ช>ด้วยความเป็นกลางแล้วก็ไม่เป็นไรลคะครับแล้วหลังจากนั้นก็มันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาครับเพราะเราเราดูไม่รู้ว่าที่ฝึกมาเนี่ยฝึกเพื่ออะไรแล้วจะระความผิดทิศได้ยังไงอะไรอย่างนะี้เราดูไปสิเราเห็นขันมันทํางานแล้วนะ เราเริ่มล้าความเห็นผิดว่าขันนี้เป็นตัวเราไปละขันนั้นทํางานได้เองพอเราเริ่มเห็นนีเริ่มเห็นความจริงนะใจจะเริ่มเบื่อเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพระเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายความยึดถือถ้าคลายกาหนัดแล้วก็หลุดพ้นไปเนี่ยเราฝึกไปอย่างนี้ได้ในสุดจิตกับขันมันคลาดออกจากกันนะจิตไม่ไปยึดขันหรอกขันอยู่ส่วนขันจิตอยู่ส่วนจิตจิตก็ทําหน้าที่ของจิตไปขันก็ทําหน้าที่ของขันไปนะไม่แทรกแซงกัน แต่็แล้วหลังจากนั้นมาลูกก็เห็นสภาวะที่จิตเนี่ยมันเย็นเหมือนมีก้อนน้าแข็งอยู่ภายใ น, ในมันอะไรนะมันมีความเย็นเหมือนมีก้อนน้าแข็งเล็กๆอยู่ใ น, ในจิตอาการเออก็แค่รู้นะไม่ใช่ดีไม่ใช่ร้ายมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็ลูกก็ติดอยู่ในนั้นอยู่ประมาณ8เดือนนะครับโอ้ติดนานว่ะคือบอกว่าออมันเย็นแล้วมันก็ทุกเย็นแล้วก็ทุกจนกระทั่งความรู้สึกว่า เราไม่อยากได้ความสุขแล้วเพร oh, าะถ้าอย่า ง, งานั้นไม่มอย่างนั้นไม่เรียกว่าติดนะนึกว่าถ้าเย็นคงที่อยู่แปเดือนถึงจะเรียกว่าติด uh huh. ถ้าเย็นแล้วก็ทุกเปลี่ยนแล้วก็ทุกไปดูเขาเปลี่ยนแปลงยังเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ใช้ได้ยังเห็นว่ามีตัวหนึ่งที่มันบานออกมาครับ mm hmm. เหมือนกับมันพอใจอะครับ uh huh. พอความทุกข์มากมันก็จะบีบแคบลงเออนะโดยใหญ่แลนะ uh huh. แล้วจุดที่ต้องระวังนินดนึงคือเวลาที่เราเข้าไปเห็นในน้ําแข็งเนี่ยหรือว่าเห็นทุก์เนี่ยอย่าถลําลงไปดู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 เพราะว่าทําอะไรไม่ได้แล้วทําอะไรไม่ได้นะแต่ใจยังไม่เป็นกลางน ะ, นะใจยังมีความไม่ชอบแทรกอยู่ครับ <นะ S 2> พอเสร็จแล้วใจมันก็พอเห็นความสุขมาความที่จิตมันบานออกมามันก็ไม่บาลแล้วครับอยู่แล้วจิตที่เป็นทุกข์มามันก็ไม่มีความดินน้นรนอยู่ตรงนั้นได้ประมาณไม่นานนะครับจิตมันก็ไม่เป็นกลางอีกเอานะมันไม่เป็นกลาง <นะ S 1> ต้องดูอีกดูจนกระทั่งจิตมันยอมรับความจริงนะว่าจะจิตจะบาลหรือจิตจะแฝบเนี่ย ไม่ใช่เรานะบังคับไม่ได้แล้วก็ไม่คงที่เปลี่ยนตลอดดูลงไปให้เห็นใจรักอีกทีนะถ้าจิตยอมรับใจรักษได้จิตถึงจะเป็นกลางตอนนี้จิตยังไม่ยอมหรอกขอบพระคุณครับทำอีกนะทําได้ดีอย่าขี้เกียจ น, นะดูไปเรื่อยๆปฏิบัติ บ, บูชาคุณอย่งว่าไปตลอดชีวนะิตครับสาธุนะบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคุณครูบาอาจารย์นมัสการหลวงพ่อเอจ้าค่ะ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 การภาวนาต้องใช้ความเข้มแข็งความอดทนให้มากๆไม่ใช่เราทำนิดๆหน่อยๆ ห, หวังว่าจะพน้นไม่พ้นออกนะเพราะเวลาเราสะสมกิเลสเราสะสมมาตั้งนานใช่ไมจะพ้นจากกิเลสพ้นจากโราก็ามไม่ใช่ง่ายต้องอดทนทำแล้วทำอีกอย่าท้อใจนะตอนนี้เป็นโรคที่ท้อสวนท้อเมื่อก่อนนาะมีคนมาบอกหลวงพ่อครูบาอาจ่รยตอนนั้นยังไม่บวชไปอยู่บุญยาวาดมาบอกหลวงพ่อบอกว่า ตอนนี้อาร์เาทำสวนท้ออยู่ครับเราบอกเฮ้ยทำไมไม่ภาวนาไปทํามันทําไมสวนท้อ <c oughs> แต่ภาวนานะบางช่วงมันก็อดท้อไม่ได้แต่ท้อล้วก็ต้องสู้เอานะค่ ะ, ะาการนมัสการหลวงพ่อนะคะมาส่งการบ้านเป็นครั้งที่สามนะคะก็ภาวนาไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะรู้สึกตัวนานนานะคะหลวงพ่อเป็นไงรู้สึกตัวนานนานเออเหมือนกับ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 อีกอันหนึ่งใจของเราเนี่ยขาดศีลธรรมทุศีลอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ไปไม่รอดนะอีกอันหนึ่งเราติดเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะอีกอย่างหนึ่งเราติดสิ่งซึ่งไม่ใช่มนุษย์เนะช่นเราติดความสุขความสงบจากการภาวนาอยากจะไปเป็นเทวดาอยากไปเป็นพรหมอะไรเงี้ยนะหรือภาวนาอยากได้ชื่อเสียงเกียรติยศอนะไรเงี้ยติดสิ่งเหล่านี้ไหมนะไมอยาได้ ไม่อยากไม่อยากเลยใช่ไหมไม่อยากเลยค่ะก็คือจิตใจเหมือนกับมันอยู่ยในเรื่องของในเรื่องของการดับทุกข์เรื่องของการที่จะไปนิพพานทําให้แจ้งในชาติได<อ>้น ะ, ะอย่างนั้นสิดีจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้ตลอดอเออลยนะเวลาวนเวียนกับสิ่งเหล่านี้อย่าให้ลงไปคลุกกับสิ่งเหล่านี้ <ๆ S 2> ดูไปเรื่อยๆดูเหมือ น, ด, นดูคนอื่นนะดูกายนี้เหมือนดูคนอื่นดูใจิตใจนี้เหมือนดูคนอื่นเรื่อยๆใจของเรามันจะเคล้าเคลียอยู่ในโลกของความคิดไม่เลิก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 หลงคิดไปแล้วก็ดูเพราะเป็นคนมีโทสะจริตแรงค่ะก็จะดูตัวนี้แล้วหลังๆมานี่จะมีกิเลสดวงคือที่เป็นเซลล์ค่ะคือหลังจากที่แบบได้ตำแหน่งหน้าที่การงานมาใหม่เนี่ยเซลล์มันก็จะเยอะขึ้นดีดีที่เห็นนะแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะใช้วิธีการสวดมนต์แล้วก็ดูติดตัวเองไปอ่ะค่ะ ดีนะที่คุณฝึกอยู่ดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกัหมมันใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นเยอะแล้วนะเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเยอะขึ้นนะเข้าใจแล้วดีฝึกไปแล้วต้องมีวิหารธรรมหรือว่าทำอย่าง<น>ที่เราทำเนี้ยนะเรายัางพัฒนาได้อยู่แต่ถ้าอยากช่วยตัวเองให้ไปได้ดีขึ้นมอ่งไวขึ้นเนี่ยแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบบ้าง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 จะเรียนอย่างหลวงพ่อก็ตั้งใจเรียนไปชอบกรรมฐานแบบไหนก็เรียนแบบนั้นไปนะมันไปก็ด้วยกันได้เท่านั้นแหละถึงจุดหนึ่งอ่ะแต่เบื้องต้นแล้วมันไม่เหมือนกันหรอกนะอ่ะวันนี้เราใช้เวลากันค่อนข้างกระชับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลวงพ่อป่วยอยู่นะครับช่วยกันถนอมธาตขันถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนทุกท่านนะครับกล่าวคาถวายเครื่องปัจจัยษ์ธยธรรมและทานที่ท่านนํามาถวายกันนะครับ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 อิชิตังปฏิตังทุมหังชิปะเมวัสมิฉตุสบเบพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถ า, ามณิโชติลาโสยะถาสัพีติโยวิวัชฉันตูสภาโรโอโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาฒนาสีริสเนจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธรมมวทันตีอายุวันโนสุขขัน พะลัง